17. เจ็สมาถะคืออะไรสมาถะคือการน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เป็นกุศลและเป็นอารมณ์ที่เรารู้แล้วมีความสุขเช่นถ้าเราพุดโธแล้วมีความสุขก็พุดโธเล่นๆพุดโทไปอย่างสบาย พอจิตใจมีความสุขจะสงบเองแต่ต้องทําด้วยความมีสติไม่ใช่นั่งเคลิ้มครื่งหลับครื่งตื่นหรือนั่งเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้การทําสมถธมีประโยชน์กับนักปฏิบัติทุกคนเพราะเป็นเครื่องข่มนิวรณ์และเป็นการพักผ่อนแต่การทําสมถะอย่างเดียวจะไม่เกิดปัญญาโดยอัตโนมัติ การทำสมถะจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับสมถยานิกหรือผู้ปฏิบัติที่ใช้สมาธินำปัญญาคือต้องทำสมถะจนเกิดฌานเสียก่อนแล้วค่อยพิจารณาองค์ทำให้เกิดปัญญาในภายหลังแต่การทำสมถะไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ขาดเสียไม่ได้สำหรับวิปัสสนายานิกหรือผู้ปฏิบัติที่ใช้ปัญญานำสมาธิ คือผู้เจริญสติสัมปชัญญะระลึกรู้รูปนามไปเลยแล้วจิตจึงค่อยรวมเข้าอปปนาสมาธิเองในภายหลัง